ต่อไปดูหน้า25ข้อ4ตติยาวิพัฒน์ในอัศสาทีโยคะแปลว่าพร้อมด้วยแปลว่ากลับด้วยนะพร้อมกับกลับเพื่อนเดียวกันนั่นแหละพร้อมด้วยก็ได้กลับด้วยก็ได้มีสหและสัตทิงสับสหและสัตทิงนี่แหละแปลว่าพร้อมหรือแปลว่ากลับบางทีล้วก็ถ้าภาษาไทยบางทีก็ใช้ทั้งสองคำเลยพร้อมกับด้วยอันนี้ก็มี ที่ปรยวันนจะมีสาหะด้วยและสาาัตว์ที่อยประโยชน์อะไรมีครับมันเข้าคนละตัวครับถ้าอยู่จุดเดียวกนเลยไม่ได้เข้าคนละตัวดูนะดูตัวอย่างข้อหนึ่งวิตเกะสหวัตติติสวิตโกวิตเกะสหวัตติวัตติย่อมเป็นไปสหพร้อมวิตเกนะด้วยวิตก เป็นไปพร้อมด้วยวิตกสวิตโกชื่อว่าสวิตโกเรียนอภิธรรมมาแล้วสวิตโกสวิตจางโรอะไรนั่นน่ะใช่เป็นบุตรีเคราะห์อะไรก็ได้สวิตาโกนี่คือพร้อมด้วยวิตกใช่มครับครับสวิตาโกแปลว่าเป็นไปพร้อมด้วยวิตกวตติย่อมเป็นไปสหพร้อมวิตเกนะ ด้วยวิตกก็แปลสามคำเนี่ยมารวมแล้วเหลือสวิตโกคำเดียวสวิตโกแปลว่าเป็นไปพร้อมด้วยวิตกชื่อว่าสวิตักกะเป็นไปพร้อมด้วยวิตกชื่อว่าสวิตักกะหรือชื่อว่าเป็นไปพร้อมด้วยวิตกอย่างเก่านั่นแหละถ้าจะเอาแปลมาน่ะเป็นไปพร้อมด้วยวิตกชื่อว่าเป็นไปพร้อมด้วยวิตก แต่ว่ามันใช้คําประหยัดกว่ากันไงใช้คําว่าวิสวิตาโกสวิตโกคําเดียวก็มีความหมายเท่าวิตเกณฑนะสหวัตวติเวลาเราจะใช้สับบาลีเนี่ยใช้คําเดียวพออ okay. สวิตโกแปล ว, ว่ า, าวิาตาเกณนะสหวัตติข้อสอง นิสีธิพระขาวาสัตถิงพิขุสังเขนะพระขาวาพระผู้มีพระภาคหรือไม่ก็พระพุทธเจ้าเลยนิสีธิประทับนั่งประทับนั่งแล้วเป็นอัชชตนีนิสีติเนี่ยเคยมีคนถามว่าท่าอะไรมาสองครั้งแล้วถามอีกก็ไม่น่าอายอะไร ถามไหมถามครับผมถามสินิสีทีมาจากนิอุปสรรคนิบทหน้าแล้วก็สัทธาธาตุสัทธาในอาจว่าคัตยาวสารนสุดการไปสิ้นสุดแห่งการไปนิบทหน้าสัทธนิบวกสัทธบวกอีสัทธเฉยเนี่ยนะ ต้องสีานนะสาธาตุนะสาาัทธะอีนี่สัทธะอีเนี่ยนี่สาาัทธะอีมีการอาเทศสระอพิสะเนี่ยเป็นสระอีเลยเป็นนิสีธาแล้วก็อนีนี่สอีอีเราก็บอกว่าอาพิสะเป็นอี อาที่สะเป็นอีก็เป็นนิสะก็เป็นนิสีนี่ไงสะทัเป็นสีทักก็บอกว่าอาเทียเป็นอีใช่บอกเลยอาเทศยอาเป็นอีเสร็จแล้วก็รัศศ์ตัวเนี้ยอีชั้นระมีเนี้ยมันรัศศ์ได้ใช่ไหมเราเคยทำมาหลายทีแล้วแล้วก็ประกอบมันเข้าอย่าลืมว่าสระที่สุดท้ายเนี้ยต้องลบด้วยนะสระมีหลายตัวลบ ใช่ไหมระมีมากคนหนึ่งลบตัวสุดท้ายทิ้งนิสีธิมาจากนิบทหน้าสัทธาต์อีอชัตตนีมีการอธิษฐานที่ส ะ, ะเป็นอีจากสัทธาต์จึงเป็นสีทะรัศอีอชัตตนีให้เป็นอิอออออเวลาประกอบเข้า่าจะเป็นนิสีธินิสีทะแปลว่านั่ง ส่วนอีอีตัวนั้นแปลว่าแล้วนี่สิติก็นั่งแล้วถ้าเป็นพระพุทธเจ้านั่งก็เพิ่มให้เป็นราชาศัพท์ว่าประทับนั่งแล้วฮะอี e, อิชะตานีอี e, อิชะตานีไม่มีอะไรไงอ่ะหมวดที่ห้าไอ้ไม่ใช่หมวดที่ห้าหมวดที่หก หมวดที่หกวิภัฒน์หมวดที่หกเห็นไหมเนี่ยเนี่ยดูคนละหน้าดูคนละหน้าอืภควาพระผู้มีพระภาคนิสิติประทับนั่งแล้วสัตทิงกับกับ พร้อมก็ได้กลับก็ได้ภิกขุสังเคนะด้วยมูแห่งภิกษุหรือทับศัพท์ก็ด้วยภิกษุสงฆ์พระพุทธเจ้าประทับนั่งแล้วกลับด้วยภิกษุสงฆ์กลับด้วยมูภิกษุสัตทิงไปว่ากลับไปว่าพร้อมกลับด้วยพร้อมด้วยได้นั้นแหละตัวตัวสังเคนะนี่ ิด ไ, รรได้ครับไม่ผิดอะไรได้ขนาดนั้นนะเสียงก็ไม่เปลี่ยนความหมายก็ไม่เปลี่ยนส่วนฉบับไทยนิยมเป็นงองูฉ บ, บับอื่นเขานิยมเป็นนิพหิธ <c oughs> <c oughs> ต่อไปนะ <c oughs> ข้อสามปุเตนสหถูโล ปุเตนะแปลว่าด้วยบุตรสหะแปลว่าพร้อมถูโลแปลว่าเป็นคนอ้วนเป็นคนอ้วนพร้อมด้วยบุตรคือทั้งพ่อทั้งลูกอ้วนเล ย, อ, ย <c oughs> อ้วนไมัมยมเกียรติพลลูกชายอ้วนไหมอ้าว <c oughs> อ้วนคนเดียวสิงั้นะนี่ย <c oughs> ถูลอ้วนไงถูล้นในแปลว่าอ้ ว, อวนถ้าผอมว่าไงผอมบาลีฮะอะไรน ะ, ะอ่ะกีสะหรือไม่ก็อนุกะอะนุกะกีสะแต่มาผอมขออนุกะหรือไมก่กกีสะกีสะก็ได้กีสะก็ได้นะ ได้ยินไหมนางศางบบรีสาคอตเมียหอมตังหอมมันโอลิฟแล้วก็ถูละ <c oughs> โอลิฟแฟนป๊อปอายเนะี่ยหอมแบบนั้น น, นนะ <c oughs> <c oughs> ถูละแปลว่าอ้วน <c oughs> โน่นโคำบนมันเป็นว่าหอมงั้นใครอยากได้ชื่อว่าเพราะก็ชื่อว่าถูริมีหรือไม่ก็ถูลาก็ได้เคยได้ยินไหมพระนางถูละนันธาเอ้าเป็นพระเถิงรีถูละนันธาที่มักไปไหนมาไหนกับพระอะไรนะพระอะไรไม่รู้ลืมชื่อล้ว ที่ไปเก็บกระเทียมมาแล้วพระพุทธเจ้าห้ามพิสุณีฉันกระเทียมนางถูลานันธานเนี่ยสวยแต่อ้วนหน้าตาดีแต่ว่าอ้วนปึกเลยเลยชื่อว่าถูลานันธานคนอ้วนสวยหรือไม่ ก, ก็ชื่อถูลานีก็ได้ เขาเห็นไหมเขาประกวดอะไรที่ดาช้างอะไรมานางกีสาโคตมีผอมผอมผอมจริงๆเลยอ่ะผอมจนผอมเป็นคนที่ร่างกายผอมเล็กอ่ะแต่งงานแล้วคลอดลูกออกมาลูกตาย พอลูกตายก็อุ้มอุ้มศพลูกตะเวนเที่ยวหาหมอรักลูกมากตะเวนร้องไห้ร้องห่มไปหาหมอไหนเขาจับตัวอุย้ยลูกเธอตายแล้วไม่ต้องเอามารักษาหรอกบอกไม่เชื่อไม่เชื่อก็ไม่ตายไม่ตา ย, ตายอุ้มไปหาหมอใหม่เรื่อยไปสองวันสามวันผ่านไปไม่รู้จะทํายังไงศพก็เริ่มเขียวขึ้นเขียวขึ้น ไปหาใครหาใครเขาก็บอกว่าลูกเธอตายแล้วลูกเธอตายแล้วก็ไปว่าคนอื่นเขาว่าบ้าลูกยังไม่ตายซะหน่อยจนเป็นบ้าเป็นบอตัวเองเป็นบ้าไปจริงเสียสติผ้าผ่อนไม่นุ่งแล้วปล่อยผ้าทิ้งเขาอุ้มลูกเดินไปไปพบพระพุทธเจ้าไปถามว่าท่านมียารักษาลูกข้าพเจ้าไหมพระพุทธเจ้าว่ามีหายโศกเศร้าเลยพอได้ยินว่ามีเท่านั้นแหละ มีทางรักษาได้เอาอย่างนี้ก็แล้วกันเธอวางลูกเธอไว้ตรงนี้ก่อนเราจะดูแลให้เธอไปถามดูว่าบ้านไหนเขามีเมล็ดพันธุ์ผักกาดบ้างขอเข้ามาหนึ่งกำรร ม, มือก็พอจะมาทายารักษาลูกให้แต่ว่าก่อนจะขอเขาน่ะถามดูก่อนนะว่าบ้านนั้นเขาเคยมีคนตายหรื อ, อยังถ้าบ้านไหนมีคนตายแล้วเป็นเคทเอามาไม่ได้รักษาไม่หาย เอาเฉพาะบ้านที่ไม่มีคนตายไปเที่ยวตะเวนไปถามแต่หัวบ้านถึงท้ายบ้านถามบ้านไหนมีเมล็ดพันธุ์อากาศไม่มีชาวบ้านเขาปลูกอากาศกินเองเขาเก็บเมล็ดพันธุ์เอาไว้มีทุกบ้านแหละพอเขาส่งมาให้ลืมไปบ้านนี้มีคนตายหรือยังสองปีแล้วย่าตายอ้าวงั้นไม่ได้คืนคืนคืนเดินไปครบทุกบ้านแล้วไม่มีเลยสักบ้านบ้านไหนมีเมล็ดพันธุ์อากาศบ้านนั้นก็เคยมีคนตายไปแล้ว นั่นแหละจึงได้สติว่าโอ้จริงๆแล้วบ้านมีไม่มีคนตายเนี่ยไม่มีเลยทันทุกบ้าน่ะมีคนตายทั้งหมดก็เลยคลายความเศร้าโศกเดินทางกลับไปคุยเจ้าถามว่าไหนระยาบอกว่าไม่มีแล้วไม่เอาแล้วหายหายแล้วตอนนั้นศพก็ขึ้นอื่นโอ้ท า, า, า, าไมถามผู้เจ้าเดี๋วบอกไม่มีอีกไม่รู้จะไปไหนอนะ ก็รักษาไม่ได้เพราะพระพุทธเจ้าใช้อุบายไงถ้าจะบอกว่ามันไม่มีหลอกเธอยาไปหาอางเหตุผลร้อยร้อยประการมันก็ไม่ได้อุบายไงอุบายจะทำให้ความหลงลืมสติกลับมามีสติสมบูรณ์ก่อนให้ผ่อนคลายความตึงเครียดก่อนเวลาพระพุทธเจ้าแสดงทำอะไรให้ฟังถึงจะฟังเข้าใจต้องใช้อุบายเอาดังนั้นเวลามีคนเขาขอตังเราก็ต้องใช้อุบาย อ้าวหลวงพ่อเจ้าคณะนี่ดีนะเวลามีคนมาขอข้าวทำมาขอกับท่านนะอ้าวมีมรอสักครู่อ่ะเดี๋ยวจะไปดูให้อออันนี้ไม้กวาดช่วยกวาดตรงนี้หน่อย <c oughs> <c oughs> เขาก็กวาดนะกวาด ก, กวาดท่านก็รออยู่นมากวาดเสร็จทั้งยามาให้ <c oughs> <c oughs> วันหลังไม่มาอีกเลยคนนั้นอนะ่ะ <c oughs> ไม่มาอีกเลยนะั่นแสดงว่าไม่อยากไปข้าจริง นั่นไม่ใช่ไม่อยากได้ข้าวเมื่อไม่กี่วันมานี้ก็มีคนหนึ่งแ่มองก็เห็นกวาดแคคๆอาใครมากวาดอีกแล้วมาขอข้าวหลวงพ่อให้กวาดพ่อกวาดแคคหน่อยเดียวกวาดมาได้สองต้นไม้นี่แหละเดินมาถามผมกวาดละครับไหนละเข้าวเอามาทวงอะไรกวาดจะไม่เสร็จแล้วก็ไม่มาอีกเลยคนนั้นไม่รู้หายไปไหน คนไม่เขาใจวาแม้แต่คนตายเนี่ยแล้วยังรู้ทันเนี่ยตอบว่าไงเป็นไงนะเขาเขาเไม่รู้แม้แต่ลูกคนตายแต่ว่าพอผู้ย่าแสดงทำก็รู้ตอนนี้รู้แล้วรู้แล้วตอนแรกนราไม่รู้หรอกแต่ว่าตอนนี้รู้แล้วผ่อนคลายความเศร้าโศกลงแล้วในขณะที่ผู้เจ้าแสดงทำให้ฟังเนี่ยกีาสาโคตามีโคตม้โคตอะไรมันโคดเคดเียวกับพระพุทธเจ้าเลย แต่ว่าตัวผอมก็เลยเรียกว่านางกีสาผู้หญิงกีสาผู้ชายก็กีโอยังยมเกียรติพลเนี่ยกีโศอันนั้นประชาบอดีโคตมีครับ ทูนันธาเป็นภิกษุณีไม่ก็พูดถึงว่าชื่อคนชื่อว่าถูละยกตัวอย่างว่านางถูระนันธาเทรีเป็นต้นก็มีอุบาสกคนหนึ่งเขาเห็นว่าภิกษุณีเนี่ยบินทบาทยากกว่าภิกษุดังนั้นพวกภิกษุณีก็จะหุงหาอาหารฉันก็จะไปเที่ยวบินทบาทของแห้งข้าวสารพริกหอมกระเทียมอะไรพวกนี้ยแล้วก็มีเจ้าของสุ เจ้าของไร่กระเทียมเจ้าหนึ่งเขาตั้งความเขาไปปรวารณาพิสุณีเอาไว้ว่าถ้าต้องการกระเทียมทำอาหารก็ให้มาเอาเถอะแล้ทีนี้พอนางพิสุณีรู้ว่าอุบาสกคนนี้ปรวารณาก็พากันมาเอาเอาทุกวันนะ่ะเอาเอาจนหมดสวนเลยเพราะพิสุณีเยอะเนะี่ยเป็นพันนะ่ะคนน้นก็เอาคนนี้ก็เอาหมดเลยพอหมดแล้วคนเฝ้าสวน ไปฟ้องเจ้านายว่าพิกษุณีมาเก็บกระเทียมไปหมดแล้วอ้าวทาไมเอาไปหมดล่ะเอาไปหมดแล้ ว, เ, ลวเราเจะเอาที่ไหนปลูกอีกกอะทีเนี้ย mm hmm. ก็เลยพิกสุทั้งหลายได้ยินว่าพิกษุณีไปขอกระเทียมเขาเอาหมดสวน mm hmm. จึงนํามาโจดจานกันพระพุทธองค์ทราบเข้าก็เลยบัญญัติห้ามพิกษุณี้ฉันกระเทียม mm hmm. ห้ามเลยห้ามฉันกระเทียมเลย mm hmm. พิกษุไม่ห้าม mm hmm. ดังนั้นใครมาบวชเป็นพิสุณีอดต้องตั้งใจไว้ก่อนมาอด กระเทียมฉันไม่ได้ <c oughs> ต่อไปพอแล้ว <c oughs> มาดูนะข้อข้อสี่ข้อส <c oughs> ทุกโขพาเลหิสังวาโสสหในอัตวสหเนี่ยรวมอยู่ที่สังนะสัง สังวาโสในวาโสการอยู่สังร่วมสังวาโสการอยู่ร่วมพาเลหิด้วยคนพาลทุกโขเป็นทุกอยู่ร่วมกับคนพาลเป็นทุกเคยไหมเคยอยู่ร่วมกับคนพาลเป็นทุกไหมเป็นยังไงอ่ะมุดหิด ร, รําคาญหรือเป็นทุกยังไงเขาทําความทุกข์ให้อืม วุ้ยถ้าอยากขอบใจคนเยอะๆไปเลยไปอยู่คนผานจะได้ขอบใจเขาเยอะๆเนื้อว่าชอบถ้าอยากรู้ว่าตัวเองเป็น่านหรือบัิตดูได้แป๊บเดียวเองนะมีผู้รู้ตักเตือนด้วยดี ก็ไม่พอใจนั่นแหละผานเขาตักเตือนด้วยดีกลับไม่พอใจนั่นแหะคือคนผานถ้าใครตักเตือนทั้งท้วงอะไรแล้วเราเออดีจังเลยอ่าแสดงว่าเป็นบัณฑิตทางวงงีไม่พอมาพูดทำไมว่ามาตักท้วงทำไมอะไรนั่นก็คือผาน <laughs> ต่อไปข้อห้าตวางเกณฑสหวิหราระสิ สว่างท่านวิหัารสิย่อมอยู่สหพร้อมเกณะด้วยใครท่านอยู่พร้อมด้วยใครท่านอยู่กับใครความหมายง่ายๆนะท่านอยู่กับใครข้อ6เป็นคำตอบอหังพุทธเณนะสหวิหารรามิอะหังข้าพเจ้าวิหารรามิย่อมอยู่สหพร้อม พุเทนะด้วยพระพุทธเจ้าข้าพระเจ้าอยู่พร้อมด้วยพระพุทธเจ้าข้าพระเจ้าอยู่กับพระพุทธเจ้าอยู่ไหมทุกวันอยู่กับพระพุทธเจ้าไห ม, มคิดว่าอยู่ไม่อยู่ได้ไงมุมบ้านตรงนน้นก็มีพุทธรูปตั้งไว้มุมบ้านนี้ก็มีพุทธรูปตั้งไว้ <c oughs> อยู่ตรงไหนใจถึงพระพุทธเจ้าชื่อว่าได้อยู่กับพระพุทธเจ้าข้อ7พุทธโธเกณะสัตทิงณข้างกลางคัจฉิพุทธโธพระพุทธเจ้าคัจฉิตเสด็จไปณนะข้างกลังสู่เมืองสัตทิงกับเกณะด้วยใครเสด็จไปนคนรเสด็จไปสู่เมืองกลับใครพระพุทธเจ้าเข้าไปในเมืองกับใคร แต่ในีนี้ไม่ใชใช้ว่าเข้าไปแค่ว่าไปให้เฉยข้อ8พุทธโธสังเขนะสัตทิงนข้างกลางคัดฉติพุทธโธพระพุทธเจ้าคัดฉติเสด็จไปณนะข้างรังสู่เมืองสัตทิงกับสังเขนะด้วยสงสังเขนะเห็นไหมครับอันนี้สะกดด้วยงงงูนะข้อ9 พระขาเวงรันชายังวิหังรติมหาตาภิกขุสังเขนสัสทิพิงพระขาวิหังรติประทับอยู่เวงรันชายังในเมืองเวรัญชาสัตทิพิงกับพิกขุสังเขนะั้ด้วยหมูแห่งภิกษุ มหาตาใหญ่มากอยู่กับด้วยภิกษุหมู่ใหญ่อยู่ด้วยกับภิกษุสงฆ์จํานวนมากพ ร, พ, าพระพุทธเจ้าประทับอยู่ในเมืองเวรัญชากับหมู่ภิกษุหรือกับด้วยพระภิกษุสงฆ์เป็นจํานวนมากมหาตาแปลว่าใหญ่คําว่าใหญ่ในที่นี้หมายถึงว่ามีพระเถรพะผู้ใหญ่คําว่าใหญ่ในที่นี้ แต่ละรูปล้วนเป็นภิกษุผู้ใหญ่โดยคุณคือปุถุชนไม่มีเลยล้วนเป็นพระอรหันต์หมดอย่างต่ำพระโสดาบันบุคคลจ ร, จริงใช้คำว่ามหาตาใช่ไหมครับครับไม่มีมหาเ ต, น, นะาเต น, นะสิมีมเีเป็นมหาเต น, นะอ่าเป็นมหาเต น, นะมีใช่ เป็นเป็นเป็นพระผู้ใหญ่หนึ่งเป็นพระผู้มีคุณสูงมีสาวมีจํานวนมากด้วยเป็นพระเถระผู้ใหญ่อย่างหนึ่งเป็นพระผู้มีคุณธรรมสูงอย่างหนึ่งและมีจํานวนมากอย่างหนึ่งคําว่ามีจํานวนมากในนั้นคือมีห้าร้อยรูปห้าร้อยรูปเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกัน ถ, ถ, ถ, ถ้าถ้าอาจจะมีศัพท์ว่าสามพรงหเลนะนี่น่าจะเป็นสามพะหูเลยนะก็ไม่มี <c oughs> ไม่ค่อยใช้ครับสามพหูเลยนะสมพะหลาไม่ค่อยใช่สระหูลาจานวนคนไม่ค่อยใช้ถ้าจานวนทำใช้ <c oughs> สงสัยคำไหนถามทีนี้มีไหมมีสงสัยหม มหันตามหันตนามหันตะบวกนาเป็นตัวขยายพิปุสังเคนะมหันตะบวกนาหน้าตาคำนาเป็นตาเราเคยทํามาแล้วคัดฉันตาศัพท์อะทําตามคัดฉันตะเลยเป็นคัดฉตามหันตะก็เป็นมหัตาหน้าตกาคำนาเป็นตาทวายกรใหญ่ก็บอกว่าหน้าตะเป็นหน้าตุเราค่อยหน้าตุคำนาเป็นตา ด้วยโตติตาสัสมิงนาสุในกัจจายนาสูดฮะเวรัญชายังในเมืองเวรัญชาในยังในคือในสมิงเป็นยังในอิทีิลิงเวรัญชาคือศัพท์เดิมเหมือนอิทธยังอ่ะเหมือนกัญญายังอันเดียวกันนั่นแหละพระขวาคือพระขวันตะ พระขวันตะแจกตามคัดฉันตะพระขวันตะบวกสมิงไอ้บวกสี่พระขวันตะสี่พระขวันตะสี่พระขวาน่ะมีอยู่แล้วเนี่ยในไวยากรณ์เนี่ยพระขวันตะสี่สี่เป็นอานะพระขวานะไอ้สีกับนัตตะกับสี่เป็นอา หน้าตากับสีเป็นอาเป็นพควาบางอาจารย์ก็บอกว่าเป็นพัะวันตุอย่นี้ก็มีวันตุก็มีพักวันตะก็มีมพระวันตุก็แจกตามอ ะ, อะไรนะแจกตามสัตถุ สัตเป็นศัทธาไม่ใช่ในไวยากรอนะมีอยู่พนะระควานแจกตามคุณะวันตุนะพระขวันตุแจกตามคุณะวัน ต, นะน ต, ต, นตุในหน้า47แจกตามแจกตามคัดคุณะวันตุพระควันตุเห็นไหมพระพุทธเจ้าในหน้า48มีอยู่พระขวันตุสรรแจกตามคัดฉันไอคุณะวันตุ เนี่ยพระขวานเนี่ยเนี่ยนียดูๆเปิดดูหน้าสี่สิแปดไว ย, ยกรหน้าสี่สิบเจ็ดหน้าสี่สิแปดดูที่หน้าสี่สิบแปดพระขวันตุหน้าสี่สิแปดเห็นไหมศั์จำแนกตามสี่บรรทัดพระขวันตุพระพุทธเจ้าผู้มีโชคเห็นไหมแล้วก็ไปดูคุณาวันตุศัพ์ลงสีวิพัฒจะเป็นคุณ้าวาเห็นไหม นะพุทธนวะปทมาวิพัฒน์รูปแรกอะ่ะพระขวันตุจะเป็นพระขะวาเหมือนกันยังไงพระขวารพระขวันตุสีอาเทศนาตุกับสีเป็นอาแล้วลบสะอาดทิวะก็เป็นพระขะวาผ่านได้ไหมนาตุสีเป็นอาลบสะหน้าเป็นพระขวา อ่ะดูต่อใบน้อยจังต่อไปภาคภาษาไทยเป็นบาลีมีสี่ข้อข้อหนึ่งข้าพเจ้าย่อมอยู่กับด้วยท่านข้าพเจ้าอยู่กับท่านข้าพเจ้าข้าพเจ้าต้องอาหารกับท่านมีด้วยท่านแล้วก็มีกับสองคำด้วยท่านด้วยท่านว่าไงด้วยท่าน อาเตนะไม่ได้เตก็ไม่ได้ด้วยท่าน่ะเอาละทีเนี้ยเปิ ด, ดวัยกรเลยตุมหาซับเลยเร็วเๆๆ เ, เตุมหาซับหน้าหกสิบเจ็ดหน้าหกสิบเจ็ดอืเอาตัวแรกเลยเอาตัวแรกตตยาวิพัฒเอาตัวแรกเลย อาตยาตยาถ้าตยาเนี่ยมักจะไม่ค่อยคู่กับตยาสหะแต่จะคู่กับตยาสถิงตยาสถิงตยาสหะไม่นิยมใช้ตยาสถิงกับด้วยท่านอาหางตยาสัิงย่อมอยู่ล่ะฮะเตมไม่ใช้เตไม่ใช้เตมไม่เข้ากับสหสถิงย่อมอยู่ วิหัรามิอาหางตยาสถิงวิหัรามิทีนี้กลับกันท่านย่อมอยู่กับด้วยข้าพเจ้าอะไรอย่างนีนเหมือนกันแหละกลับกันตายาก็เป็นมะย า, ะยาอาหางก็เป็นตวังวิหังรามิก็เป็นวิหังระสิตวั ง, วงมะยาสัตทิง วาสาสิหรือวิหังรัสสิาวาสาสิตวังมายาสถิงวัสาสิท่านอยู่กับข้าพเจ้าเอาทีนี้บาลีว่าอาภาษาไทยว่าเราอยู่ร่วมกัน เราอยู่ร่วมกันไม่ยังไมยังยังนราอยู่งร่วมกันบาลีว่าไงเอกโตแปลว่าร่วมกันเอกโตแปลว่าเท่าไหร่ก็ช่างเท่าไหร่ก็ได้เพราะมายังเนี่ยไม่จํากัดจํานวนเนี่ยอย่างพวกเนี่ยเราอยู่ในห้องเดียวกันเนี่ยเราก็เรียกว่าเอกโตวะเอกโตวะสามิอะไรน่ย อยู่อยู่อันเดียวกันอยู่ร่วมกันว่าสา ม, มามรถฮนะด้วยกันและกันคำว่าด้วยกันและกันคือท่านก็อยู่กับด้วยข้าพเจ้าเข้าข้าพเจ้าก็อยู่กับด้วยท่านก็จะใช้ว่าอัญแยกมันเยนนะแต่ว่าใช้ว่าว่าสามารถ ก็เหมือนกับว่าต่างคนต่างอย่างนั้นสองต่อสองเหรอเอโกอ๋อสต่อ2ก็ใครเราอยู่2ต่อ2ถ้าบอกว่าเราอยู่สองต่อ2กับท่านท่านอยู่2ต่อ2กับเราอย่างนี้ก็จะเป็นเอโกเอเกนะเอโกเหมือนกับหต่อ1บาลีจะไม่ใช้สองต่อสอง เพราะสองต่อสองเมื่อไหร่เป็นสี่บาลีแต่ถ้าภาษาไทยอยู่2ต่อสองจริงๆก็คือ2อง่นั้นนะใช่บาลีก็จะใช้ว่า1่ต่อหนึ่งหนึ่งกับด้วยห น, นะ น, นึ่งเอกเงานเอก้นัยย่นเอกเงานเนี่ยนาตยพั์น่เอกเงานเอโคำเดียวเอกเงาคำหนึ่งเอโกคำหนึ่งถ้าสมมติว่าผู้ชายเป็นคนพูดก็เอกายเอโก ผู้ชายหนึ่งผู้หญิงหนึ่งถ้าผู้ชายด้วยกันก็เอเกนะเอโกถ้าผู้หญิงพูดว่าผู้หญิงอยู่กับผู้ชายเขาบอกเอเกนะเอกาอยู่โดดเดียวเอกานั่นแหละคือบาลีละเอกาเนี่ยใช่ผู้หญิงคนเดียวเอกาถ้าอยู่กับผู้ชายคนเดียวก็เอโกเอเกนะเอเกนะเอกาผู้หญิงอยู่คนเดียวกับผู้ชายคนเดียวถ้าผู้ชายคนเดียวอยู่กับผู้หญิงคนเดียวก็เอกายเอโก ผู้ชายหนึ่งคนอยู่กับผู้ชายอีกหนึ่งคนแล้วก็บอกว่าเอเกนะเอก้ถ้าผู้ชายหนึ่งคนอยู่กับผู้หญิงหนึ่งคนก็บอกเอกายะเอก้ถ้าผู้หญิงคนหนึ่งอยู่กับผู้ชายคนหนึ่งก็บอกเอเกนะเอกาถ้าผู้หญิงคนหนึ่งอยู่กับผู้หญิงอีกคนหนึ่งก็บอกว่าเอกายะเอกาใช้อย่างนี้แหละ ว่าไงนะกับอ๋อก็นี่ไงเอโกเป็นบุงลิงใช่ไหมล่ะเอโกเป็นบุงลิงเอโกผู้ชายหนึ่งเอกายกับด้วยผู้หญิงหนึ่งแต่ถ้าเอเกนะเอกาก็บอกเอกาผู้หญิงหนึ่งเอเกนะกับด้วยผู้ชายหนึ่งอยู่ที่ว่าจะพูดอใครเป็นหลักนีถ้าพูดผู้ชายเป็นหลักเราขึ้นเอโกถ้าพูดผู้หญิงเป็นหลักเราขึ้นเอกาแต่สรุปแล้ว มันก็คือผู้หญิงคนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งนั่นแหละแต่ว่าจะพูดเอาใครเป็นหลักถ้าบอกว่าท่านอยู่กับใครเราเป็นผู้ชายแล้วก็บอกเอโกใช่ไหมล่ะถ้าถามว่าท่านอยู่กับใครมาถามเราเราเป็นผู้ชายอ่ะเราก็ต้องบอกเอโกถ้าบอกถามว่าท่านอยู่กับใครแต่ถ้าท่านเป็นผู้หญิงเขาก็จะบอกว่าเอกาใช่ไหมล่ะเอกายะเอกาอ๋อฉันอยู่คนเดียวกับผู้หญิงคนหนึ่งแล้วแต่ใช้อันไหน ยับจะไม่จบเลยเนี่ยต่อไปข้อ 3, ข้อ3มบัณฑิตย่อมอยู่กับด้วยบัณฑิตนี่ไงบัณฑิตอยู่กับบัณฑิตว่าอย่างไรปันติโตปันดิเตนสะสะทิงอ่าปันดิโตปันติเตนสะสัตทิงะะทแล้วก็วะสติ หรือไม่ก็ปันดิเตนะครึ่งขบนก็ได้นะปันดิเตนะสัททิงปันดิโตวสติอย่างนี้ก็ได้เอาปันดิโตขึ้นก่อนเลยมันง่ายปันติโตปันติเตนะสัทิงวสติปันดิโตปันติเตนะสัททิงวสติบัณฑิตอยู่กับปันดิบถ้าเอาปันดิเตนะก็เอาปันิโตที่ครับ บัณฑิตกับบัณฑิตต้องไปใส่คิริยาอยู่มาด้วยใช้คำใดคำหนึ่งแทนกันได้อยู่ที่ว่าใช้คำไหนออกเสียงครราะกว่าใช้คำนั้นบัณฑิตเตนะบัณฑิตนะบัณฑิตเตอย่าพึ่งสะกดว่าดิบบัณฑิตแล้วก็เต อย่าไปต่อเต่าสองตัวนะต่อเต่าตัวเดียวอย่าไม่แน่บางรั้งบางครั้งท่านก็ขึ้นข้างหน้าแต่ส่วนมากแล้วจะตามหลังตัติยาวิพัฒน์ส่วนมากจะตามหลังตติยาวิพัตน์สหและสัตทิงเนี่ยนะแต่ก็มีอยู่หน้าบ้างเหมือนกันตามสำนวน ต่อไปข้อสุดท้ายข้อสี่พระพุทธเจ้าย่อมสเสด็จมาพร้อมด้วยพระสงฆ์พุทโธสังพร้อมด้วยพระสงฆ์สังเคณนะสะหะก็ได้สังเคณะสัททิง้งก็ได้สังเคณะสัททิงสเสด็จมาสเสด็จมาอาคัชตชติพุทโธสังเคณนะ สัคิงอคติพระพุทธเจ้าเสด็จมาพร้อมด้วยพระสงฆ์ถ้าพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ล้วก็เป็นภิกขุสังเคนะถ้าพระสงฆ์เฉยๆก็สังเคนะอาคคชติแปลว่ามา